วันนี้เป็นวันเสาร์ที่3เมษายนพุทธศักราช2564เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเข้าหาแสงสว่างแห่งธรรมที่จะพาให้ท่านไปสู่ ลถแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงลถแห่งธรรมนี้คืออะไรลดแห่งธรรมก็คือมิมุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจความทุกข์นี้เป็นตัวที่ทำให้ใจไม่มีความสุข ถ้าอยากจะมีความสุขก็ต้องหยุดลดดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปให้ได้และสิ่งที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆหมดไปได้ก็คือลดแห่งธรรมหรือแสงสว่างแห่งธรรมที่จะ ที่บอกทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองและการที่เราจะเข้าถึงแสงสว่างแห่งธรรมได้เราก็ต้องไปสู่แหล่งของแสงสว่างแห่งธรรมเหมือนกับที่พวกเราต้องการแสงสว่าง ในเวลากลางวันเราก็ต้องรอให้มีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาก่อนถ้ายังไม่มีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมามก็ยังจะไม่มีความสว่างแต่พอพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแล้วเราก็จะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆได้จากแสงสว่างของดวงอาทิตย์ฉันใดใจของพวกเรานี้ ก็เหมือนกับร่างกายต่างกันตรงที่อยู่กันคนละโลกร่างกายของเราเหล่านี้อยู่ในโลกที่มีดวงอาทิตย์ให้แสงสว่าง<ม>พอพาทิตย์โผลขึ้นมาในยามเช้าเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เวลาที่ไม่มีดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมา ใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายต่างกันตรงที่อยู่กันคนละโลกใจเรานี่อยู่อีกโลกหนึ่งโลกนี้เราเรียกว่าโลกทิพโลกของใจโลกของดวงวิญ ญ, ญาณเป็นโลกทิพย์น้าการที่เราจะสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพได้เราก็ต้องมีแสงสวาง่างแห่งธรรมนี้ ซึ่งเปรียบเหมือนกับเป็นดวงอาทิตย์ที่จะทําให้เราได้เห็นโลกทิพย์ที่มีหลายหลายส่วนหลายระดับโลกทิพย์ที่มีในโลกทิพย์นี้ภบภูมิที่มีในโลกทิพย์นี้คืออะไรก็สวรรค์ชั้นต่างๆหรือนรกชั้นต่างๆอบายระดับต่างๆ สิ่งเหลนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกทิพย์แต่ถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเราจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่มีในโลกทิพย์ได้เหมือนกับเวลาที่ยามค่ําคืนถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ไม่มีแสงไฟจา ก, าจากเครื่องปั่นไฟฟ้า เราจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยเพราะมันจะมืดสนิทฉันใดใจของพวกเราที่อยู่ในโลกคลิปตอนนี้ก็เป็นใจที่มืดบอดใจที่มองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกคลิปนี้ได้หือไม่สามารถเห็นกายคลิปในระดับต่างๆ เป็นกายทิพย์ในระดับเทวดากายทิพย์ในระดับพรหมกายทิพย์ในระดับพระอริยบุคคลหรือกายทิพย์ในระดับอนรโลกในระดับอบายในระดับของเจตของอสุรกายเราก็เลยอาจจะไม่เชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่ แต่เราคือใจของเรานี้มีโอกาสที่จะได้เป็นกายที่ได้ไปเป็นกายทิศชนิดต่างๆได้แต่ถ้าเราได้เข้าหาแสงสว่างแห่งธรรมพอเรามีแสงสว่างแห่งธรรมแล้วเราก็จะเห็นกายทิศระดับต่างๆกายทิศระดับมนุษย์กายทิศระดับเทวดากายทิศระดับคม กายทิพ ย, ย, รยรร์ระดับพระอรยิยบุคคลกลายทิพย์ระดับเดรัจฉานกายทิพย์ระดับเฟรตระดับพสุรการและกายทิพย์ระดับนรกอันนี้ต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมถึงจะสามารถมองเห็นได้เหมือนกับถ้าโลกเหล่านี้ไม่มีดวงอาทิตย์นี่โลกเหล่านี้จะมืดสนิท ยกเว้นข้ามมีเครื่องปั่นไฟก็จะมีแสงสว่างเป็นส่วนจุ ด, จดๆไปเท่านั้นแต่ทั่วโลกนี้ที่ไหนไม่มีแสงสว่างจากเครื่องปั่นไฟหรือจากแสงเพียนที่ดหล น, นั้นก็จะมืดสนิททาให้เรามองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็าอาจจะทําให้เราปฏิเสธได้ว่า โลกนี้ไม่มีต้นไม้โลกนี้ไม่มีครุขเขาโอกนี้ไม่มีแม่น้ำำาําลําธานรโลงนี้ไม่มีทะเลมหาสมุทรไม่มีมนุษย์ไม่มีสักวเดรัจฉานชนิดต่างๆอยู่ในโลกนี้เพราะเรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นั่นเองทังใดใจของวกเราในขณะนี้กล้าา จ, จะปฏิเสธได้ว่า ตายไปแล้วนี้ก็ศูนย์ไม่มีผู้ที่จะไปสวรรค์ไม่มีผู้ที่จะไปนรกไม่มีผู้ที่จะไปเยียน่าวตายเกิดเพราะว่าเราใจของเรานี่ขาดแสงสว่างแห่งธรรมนั่นเองใจของเรามืดบอดจึง ท, ทำให้เรามองไม่เห็น กายคิพชนิดต่างๆรวมทั้งกายคิปของเราเองด้วยพวกเรานี้ก็มีกายคิปเรามีทั้งกายคิปยแลวมีทั้งกายหยาบกายหยาบนี้ก็คือร่างกายของพวกเราตอนนี้กายคิปของพวกเรามาผูกติดไว้กับกายหยาบแล้วก็อาศัยกายตาของกายหยาบให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้เราจึงเห็นเพียงคึ่นเดียวเราเห็นสิ่งต่างๆผ่านกายหยาบจะเห็นสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาของกายยาบเช่เห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นผูเขาเห็นผู้เห็นแม่น้ำลำธารเห็นสัตว์เห็นบุคคลเห็นบ้านเรือนเห็นถนนหนทาง เห็นสิ <screws in the world> ่งอะไรต่างๆที่ม <la> ีอย no. ู่ในโลกนี้กันเราเห็นเพียงเครื่อเดียวเท่านั้นเราเห็นสิ่งที่เราเห็นได้ผ่านทางตาของกายอยากคือร่างกายแต่ส่วนที่อยู่ในโลกเทีนี้เรามองไม่เห็นกันถ้าเราอยากจะเห็นเราต้องเข้าหาแสงสว่างแห่งธรรมเท่านัน แสงสว่างแห่งธรรมนี้มีแหลงอยู่แหล่งเดียวเท่านั้นก็คือในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนานี้จะเป็นแหล่งของแสงสว่างแห่งธรรมที่ครบถ้วนบริบูรณ์แหล่งอื่นศาสนาอื่นนี้อาจจะมีแสงสว่างบ้างบางส่วนแต่จะไม่เห็นจะไม่มีแสงสว่างครบทุกส่วน เห็นได้ในบางส่วนศาสนาอื่นๆนี้จะเห็นแสงสว่างของศาสนาอื่นนี้จะทำให้เราเห็นสวรรค์เห็นนรกกันเพราะรู้สึกว่าทุกศาสนาจะสอนเรื่องสวรรค์เรื่องนรกกันแต่ไม่มีศาสนาไหนสอนเรื่องวิมุตติการซึ้งสุดการเยียว่าตายเกิด ในในพบทั้งสามของกายทิกคือในการมาพบในรูปะพบและอรูปภพบมีแหล่งของพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะให้แสงสว่างครบถ้วนบริบูรณ์ทำให้เราเห็นความเป็นจริงของกายทิกของโลกคิกได้อย่างสมบูรณ์แล้วจะทำให้เรา สามารถตักัวงผลประโยชน์จากการมีแสงสว่างนได้อย่างสมบูรณ์เลยจะทำให้เราได้รับวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง mm hmm. ถ้าเรายังเห็นเพียงแต่สวรรค์ mm hmm. เห็นเพียงแต่นรก mm hmm. เราก็จะได้เพียงแต่การไปสวรรค์และการไม่ไปนรก แต่เรายังจะไม่เห็นการยุติการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดของเราว่าเราจะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดของเราในสวรรค์ในนรกนี้ได้อย่างไร<ม>เราต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมที่จะเป็นผู้สอนผู้บอกเรา และอะไรคือแหล่งของแสงสว่างแห่งธรรมก็คือพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ได้ค้นพบแสงสว่างแห่งธรรมนี้แล้วเป็นผู้นําเอาแสงสว่างแห่งธรรมนี้มาเผยแผ่มาแจกจ่ายแสงสว่างแห่งธรรมนี้เป็นสิ่งที่แจกจ่ายได้เป็นสิ่งที่มี มีคนต้องการเท่าไหร่ก็สามารถแบ่งให้ได้แจกให้ได้ไม่มีจํานวนจํากัดพ อ, อ, อมีแสงสว่างแห่งธรรมแล้วใครอยากจะได้แสงสว่างแห่งธรรมนี้ก็สามารถไปรับจากพระพุทธเจ้าได้ออตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดรลูเนี่ยในวันเพ็ญเดือนหกที่เรียกว่าวันวิสาขาบูชา วันนั้นแะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบแหล่งแสงสว่างแห่งธรรมครบถ้วนบริบูรณ์ก่อนหน้านั้นก็ได้พบกับแสงสว่างแห่งธรรมบางส่วนเห็นได้พบแสงสว่างแห่งธรรมที่ทำให้เห็นนรกให้เห็นสวรนค์ให้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่เห็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ จนถึงวันเพนเดือนหกหลังจากที่ได้ทรงบําเพ็ญวิปัสนาภาวนาจึงได้ทรงค้นพบแสงสว่างแห่งธรรมที่จะชี้บอกให้เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณของจิตใจของพวกเหล่านี้เกิดจากอะไรและการที่จะหยุด การเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณของจิตใจของพวกเรานี้จะต้องทำอะไรบ้างจะต้องมีอะไรบ้าง mm hmm. เมื่อพ่ะองค์ทรงรู้แล้วและได้ทรงทำให้จิตใจหรือดวงวิญญาณของพ่ะองค์นี้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดแล้วได้พบกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือรถของวิมุติัยือการดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้ว พรองค์ก็เลยสามารถที่จะเอาความรู้อันนี้มาแจากใจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการได้ใครต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใครที่ต้องการจะสัมผัสรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงรสที่ชนะรสทั้งปวงก็คือรสของวิมุตตินี่แหละวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ เมื่อหลุดพ้นจากความทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือนิพพานนิพพานก็คือบร ม, มสุขความสุขที่สูงสุดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเป็นความสุขที่กีรังถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่ไปกับใจไปตลอดอนันตการ อันนี้แหละที่เรียกว่าวิมุติลดแห่งธรรมคือลดของพระนิพพานนิบานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขเป็นความสุขอย่างยิ่งการที่จะเข้าถึงนิพพานเข้าถึงวิมุตินี้ได้จําเป็นที่จะต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมการที่จะมีแสงสว่างแห่งธรรมก็ต้องมีพระพุทธเจ้าตัดสรู้ แสงสว่างแห่งธรรมนี้ก่อนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัสรูน้นี้ไม่มีใครสามารถที่จะเห็นแสงสว่างแห่งธรรมได้ด้วยตนเองพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่นี้ต่อให้มีความเพียรพยายามมากน้อยเพียงไรก็ตามเราจะไม่สามารถที่จะพบแสงสว่างแห่งธรรมได้ด้วยตนเองเพราะบารมีของเรานี้ไม่ถึงขั้นของพระพุทธเจ้านั่นเอง พืที่จะเข้าถึงแสงสว่างแห่งธรรมได้ด้วยตัวเองนี้เราเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ผู้ได้บำเพ็ญบา ร, รมีสิบมาอย่างสมบูรณ์คือได้บำเพ็ญเมตตาบา ร, รมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนค ร, รมะบา ร, รมีอุบเบกขาบา ร, รมี ปัญญาบารมีด้วยการสนับสนุนของอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมีนี่คือท ร, รสิบประการด้วยกันที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการแสวงหาแสงสว่างแห่งธรรมด้วยตนเองนี้ สามารถพบแสงสว่างแห่งธรรมได้ด้วยตนเอง mm hmm. นอกานั้นแล้วจะเป็นจะต้องรอให้ผู้มีแสงสว่างแห่งธรรม mm hmm. เป็นผู้มาสอน mm hmm. มาบอกเท่านั้น mm hmm. คือต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าก่อน mm hmm. เมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้แสงสว่างแห่งธรรมแล้วพอนําเอาแสงสว่างแห่งธรรมนี้มาเผยแผ่มาแจกใจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการแสงสว่าง ผู้ที่รับแสงสว่างแห่งธรรมนี้ไปก็จะสามารถเข้าถึงวิมุตติธรรมเข้าถึงลถแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงได้อย่างง่ายดายแล้วก็สามารถเป็นแหล่งแห่งแสงสว่างแห่งธรรมต่อไปได้ด้วยในเบื้องต้นเหมือนแสงสว่างแห่งธรรมนี่ก็เปรียบเหมือนกับเทียนเนี่ย เทียนนี้ถ้าไม่มีไม้ขีดไม่มีไฟมาจุดให้มันติดเนี่ยมันก็ไม่สามารถส่องแสงสว่างให้ปรากฏขึ้นมาได้แต่พอมีคนฉลาดไปหาเจอไม้ขีดเข้าแล้วมาจุดไม้ขีดมาให้ติดกับเทียนปับ๊บเทียนดอกแรกพอติดปั๊บก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาแล้วคนอื่นที่มีเทียนแต่ไม่มีไม้ขีดก็มา เอาไฟจากเทียนดอกแรกนี้มาจุดต่อกันไป mm hmm. เทียนดอกแรกพอจุดพอเทียนดอกที่สองมาจุดต่อดอกแรกก็เกิดแสงสว่างขึ้นมา mm hmm. ก็สามารถทําหน้าที่เหมือนกับเทียนดอกแรกคือให้เทียนที่ไม่มีแสงสว่างมาจุดต่อไปได้ mm hmm. ก็เลยจะมีเทียนต่างๆที่มีแสงสว่างเกิดขึ้นตามลําดับ mm hmm. ดอกแรกนี้เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าเทียนดอกแรกผู้ที่ได้จุดเทียนของตนเองให้สว่างสวยัยด้วยบารมีทั้งสิบด้วยอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีด้วยวิริยะบารมีฐานติบารมีด้วยเมตตาบารมีด้วยทานบารมีด้วยศีลบารมี ด้วยเนคขมมะบารมีด้วยโอเบขาบารมีและด้วยปัญญาบารมีอันนี้เป็นตัวที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการแสงแสงสว่างแห่งธรรมสามารถพบวิธีที่จะทำให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมขึ้นมาภายในใจ mm hmm. คือถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับ มีเทียนแต่ไม่มีไม้ขีดกันทุกคนมีเทียนกันคนละเล่มคนละดอก<ม>แต่หาไม่หาไม่ขีดไม่เจอกันไม่รู้ว่าไม่ขีดอยู่ที่ไหน<ม><ม>แต่พอมีคนใดคนหนึ่งได้ค้นพบไม้ขีดปับ๊บก็สามารถจุดเทียนของตนให้สว่างขึ้นมาได้พอตัวเองจุดเทียนให้แสงให้แสงสว่างปรากฏขึ้นมาได้คนอื่นที่มีเทียนแต่ยังไม่ได้จุดก็สามารถมาจุดต่อไปได้ ผู้ที่มาจุดต่อจากบุคคลแรกเราก็เรียกว่าเป็นพระอาหารหันตสาวกเป็นผู้ที่ได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจากการเผยแผ่สั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพอตอนเองมีแสงสว่างแห่งธรรมแล้วก็สามารถเป็นแหล่งของแสงสว่างแห่งธรรมให้แก่ผู้อื่นได้เราก็เลยมีแหล่งสองแหล่งในเบื้องต้น มีแสงสว่างแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ได้เป็นผู้ค้นพบแล้วพระองค์ก็ทรงแบ่งให้กับผู้อื่นผู้อื่นก็เายกลายเป็นแหล่งแสงสว่างแห่งธรรมแหล่งที่สองและสิ่งที่เชื่อมแสงสว่างแห่งธรรมจากแหล่งที่หนึ่งไปสู่แหล่งที่สองก็คือคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนนี่ พระธรรมคําสอนนี้เป็นผู้ที่จะทําให้ผู้ที่มีเทียนแต่ไม่มีแสงสว่างยังไม่จุดเทียนไม่ได้นี้สามารถนําเอาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไปจุดให้เป็นแสงสว่างแห่งธรรมให้มีแสงสว่างแห่งธรรมปรากฏขึ้นมาในใจของตนได้เราจึงมีแหล่งของแสงสว่างแห่งธรรมอยู่สามแหล่งด้วยกันคือพระพุทธเจ้าพระธรรม และพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้ท่านมีแสงสว่างแห่งธรรมถ้าเรายังไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเรามีเทียนแต่ไม่มีไฟเราอยากจะจุดเทียนของเราเราก็ไปหาจากแหล่งทั้งสามนี้ได้ตอนนี้ก็เหลือสองแหล่งเพราะตัวพระพุทธเจ้าเองนั้นได้จากพวกเราไปเป็นเวลานานแล้วแต่พระองค์ก็ทรงตรัสว่า ตัวแทนของพระพุทธเจ้านี้ยังอยู่ต่อไปและเป็นเหมือนตัวของพระองค์เองทร mm. งตัดไว้ว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาเพราะว่าธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แลจะเป็นแสงสว่างนำทางพวกเธอต่อไปจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป ถ้าพวกเธอต้องการเข้าหาศาสดาเข้าหาเราตถาคตก็ให้เข้าหาพระธรรมคำสั่งคำสอนของตถาคตเพราะผู้ใดได้เห็นธรรมผู้นั้นก็จะได้เห็นเราตถาคตนั่นเองถ้าต้องการจะเห็นตถาคตก็ต้องเห็นผ่านการเห็นธรรมดังนั้นถึงแม้ตัวพระพุทธเจ้าจะได้จากพวกเราไปเป็นเวลาอันยาวนาะนแล้วก็ตาม แต่แสงสว่างแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบนี้ยังอยู่ในรูปแบบของพระธรรมคำสอนและอยู่ในพระอริยสงสาวรของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะได้แสงสว่างแห่งธรรมเราก็ต้องเข้าหาแหล่งของแสงสว่างแห่งธรรมนี้คือต้องเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือที่มีอยู่บันทึกอยู่ในพระไตรปิฎก เช่นพระสูตรต่างๆแต่ขอให้เข้าใจไว้ว่าถึงแม้พระไตรปิฎกนี้จะมีบรรจุพระธรรมคำสอนไว้อย่างมากมายถึง8ปด0มสี่พันบทด้วยกันธรรมบทด้วยกันแต่เนื้อหาสาระของธรรมต่างๆนี้เป็นเหมือนกันหมดคือสอนวิธีดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่อาจจะสอน สอนแต่ละขั้นแต่ละตอนแบ่งกันสอนกันไปบางทีท่านก็สอนขั้นต้นบางทีท่านก็สอนขั้นกลางบางทีท่านก็สอนขั้นปลายเพราะเวลาที่ท่านแสดงธรรมสั่งสอนผู้คนแต่ละครั้งนี้จิตใจของผู้คนนี้ก็มีจิตใจต่างระดับกันเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาที่ไปศึกษาตามโรงเรียนต่างๆจะมีความรู้ความสามารถต่างกัน ผู้ที่อยู่ในระดับอนุบาลก็จะได้เข้าชั้นอนุบาลผู้ที่อยู่ระดับปฐมก็จะเข้าสู่ชั้นปฐมชั้นมัธยมก็เข้าสู่ชั้นมัธยมชั้นป ร, ริญญาก็เข้าสู่ชั้นป ร, ริญญางั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ถึง45ปีด้วยกัน3 3 6 5วันต่อนหนึ่งปีเอา3 6 5วันคูณ45ปีเข้าไป มันก็ได้เกินแปดหมื่นสี่พันธรรมเทศนาแต่แต่ละครั้งที่ทรงแสดงก็ทรงแสดงเรื่องวิมุติเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆความทุกข์ของเรานี่มีอยู่หลายระดับเราก็ต้องปลดเปลื้องมันไปตามกํากลังของเรามีระดับต่าเริ่มต้นที่ระดับต่ำที่ระดับง่ายขึ้นสู่ระดับสูงที่ยากขึ้นไป จนกระงถึงขั้นสูงสุดมีแบ่งไว้ในในในบารมีทั้งสิบนี้บารมีทั้งสิบนี้เป็นเหมือนการแบ่งชั้นของการดับความทุกข์ในระดับต่างๆเช่นบาลามีข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเมตตาบารมีเป็นการดับทุกข์ที่เกิดจากความไม่มีเมตตานั่นเอง พอ เ, เวลาไม่มีเมตตานี้มักจะโกรธอาฆาตพยาบาทเวลาใครพูดไม่ดีทําอะไรไม่ดีกับเรานี้เราจะโกรธเราจะเสียใจเราจะอาฆาตพยาบาทอันนี้ก็เป็นความทุกข์แล้วใช่ไหมเวลาที่เราไม่โกรธกับเวลาที่เราโกรธต่างกันไหมตอนนี้เราโกรธไหตอนนี้เราไม่โกรธ เราสบายใจไหมสบายใจแต่พอเราโกโรธขึ้นมาปั๊บนี้ความสบายใจหายไปไหมหายไปความไม่สบายใจปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าเราต้องการกําจัดความทุกข์ในระดับระดับนี้เราก็ให้ใช้ความเมตตาความเมตตานี้จะระดับความทุกข์ที่เกิดจากความโกโรธความเลียดความอาฆาตพยาบาทได้ การจองเวรจองกรรมเวลาเราจองเวรจองกรรมใครนี่เราจะกินไม่ได้นอนไม่หล่ะเราจะมัวแต่คิดว่าจะทำอย่างไรจะได้ทำให้มันทำร้ายทำให้เข า, เาทุกข์ทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนเพราะเราคิดว่าเมื่อทาให้เขาเสียหายเดือดร้อนแล้วเราจะได้มีความสุขแต่นั้นเป็นความเข้าใจผิด เพราะว่าหลังจากที่เราทําให้เขาเสียหายเดือดร้อน<ม>แล้วเราก็จะทุกมากขึ้นไปอีกเพราาทีนี้ก็จะต้องมีความหวาดกลัวว่ากลัวเขาจะมาล้างแค้นเราสิในเมื่อเราไปทําเวลาเขาทําให้เราโกรธเราเกลียดได้เราก็จะคิดอาฆาตพยาบาทเขาแล้วถ้าเราไปทําให้เขาโกรธเขาเกลียดเราเพิ่มขึ้นอีกเขาก็จะต้องอาฆาตพยาบาทเรามากขึ้นอีกเขาก็จะมาจองเวรจองกรรมมาจ้องทําลายล้างเราอีก มันก็จะทำให้เราหวาดภวาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีเมตตาคือการเมตตาในกรณีนี้ท่านให้ทำอย่างไรคือท่านให้อโหสิกรรมคือให้อภัยอย่าไปถือโทษโกรธเคืองสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาทำเพราะยังไงมันก็ผ่านไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้ว ความเสียหายจากการกระทำของเขาก็เกิดขึ้นแล้วถ้าแก้วแตกมันก็แตกแล้วจะทำยังไงก็ไม่มีวันที่จะไปทำให้แก้วนั้นกลับมาเหมือนเดิมได้จะไปฆ่าเขาก็ไม่ได้ทำให้แก้วนั้นกลับมาเหมือนเดิมได้สู้ไปซื้อแก้วใหม่ไม่ดีกว่าง่ายกวา่าอยากจะได้แก้วใหม่เหมือนแก้วเก่าดีไม่ดีดีวกว่าแก้วเก่าสิเพราะแก้วเก่าใช้ไปแล้วมันเก่ามีแก้วรุ่นใหม่ออกมาสวยกว่ า, วารุ่นเก่า แทนที่จะไปทุบตีเขาเพื่อให้เขาทำให้แก้วนั้นกลับมาเหมือนเดิมมันทำยังไงก็ทำให้แก้วนั้นกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ถ้าอยากจะได้แก้วที่แตกไปเราก็ไปซื้อใหม่ก็แล้วกันท่านั้นเองเรื่องก็จบไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกับใครอันนี้เรียกว่าการให้อภัยเอเวลาโหนตุสับเบสตาเอเวลาโหนตุ นี่คือการวิธีสร้างความเมตตาขึ้นมาหนึ่งวิธีการสร้างความเมตตานี้มีอยู่4วิธีด้วยกันวิธีแรกท่านเรียกว่าอเวลาโหนตุใครทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคร่องอย่าไปคิดอาฆาตพยาบาทล้างแค้นฟันต่อฟันตาต่อ ต, อตานี้มันไม่ได้เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ความเครียดแต่กลับจะเป็นการเสริมสร้างความทุกข์สร้างความ เกรียดให้เพิ่มมากขึ้นจนในที่สุดอาจจะถึงกับต้องก็ต้องฆ่ากันตายไปแล้วฆ่ากันตายไปแล้วก็ยังไม่จบถ้าไปเกิดพบหน้าชาติหน้าไปเจอกันที่ไหนก็จะตามร่างตามผานกันอีกมันจะจําได้ภายในใจของเราท่านลองสังเกตดูทำไมกับคนบางคนท่านเห็นแล้วท่านไม่ชอบที่หน้ามึงเลยท่านทังที่เขาก็ไม่ได้ทาอะไรกับเรา แต่เราเห็นกิริยาการของเขาที่เขาทำกับคนอื่ น, นี้มันเหมือนมันฝังอยู่ในใจของเรามันทำให้เราจำได้ว่าคนแบบนี้เป็นคนที่เราจองล้างจองผ่านคนที่เราอาฆาตพยาบาท <Yeah. S 1> นี่จำไว้นะังนั้นถ้าเราต้องการจะ ด, ดับทุกข์ในระดับการเมตตานี้เราก็ต้องข้อหนึ่งก็คืออาเวลาโหนตุจงอย่ามีเวรกับสัตว์ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ให้ความเมตตาเถรสัพเพสัตตาสัพเพแปลว่าทั้งปวงสัตตาแปลว่าสัตว์สัตว์นี้ที่ในคําว่าสัตว์นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์เดรัจฉานสัตว์ในที่นี่เหมือนหมายถึงดวงวิญญาณที่เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่างๆเราเรียกว่าสัตว์หมดพวกเราก็เป็นสัตว์ ที่ตอนนี้มาเป็นสัตว์ในร่างของมนุษย์เป็นมนุษย์เดี๋ยวตายไปเราก็อาจจะไปเป็นสัตว์ในร่างของเทวดาถ้าเราทําบุญไม่ทําบาปถ้าเราทําบาปไม่ทําบุญเราก็จะเป็นสัตว์ในร่างของเปรตในร่างของเดรัจฉานในร่างของนรกได้ <Yeah. S 1> นนี่คือว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอเวลาโหนตุยงไม่มีเวรกับเขาเถิด yeah. จงอย่าไปมีเวรกับเขาเขาจะทุเขาจะพูดเขาจะทำอะไรที่จะทำให้เราไม่สบายใจก็ให้อภัยเขาไปเอาเวลาหนุตุให้อโหสิกรรมไปแล้วใจเราจะสบายจะหายทุกข์อันนี้ข้อที่หนึ่งของการดับความทุกข์ด้วยการมีความเมตตาวิธีดับความทุกข์ด้วยความเมตตาอีกระดับอีกอันหนึ่งเรียกว่า พยาปชาโหนตุแต่ว่าจงไม่เบียดเบียนกันเถอะคือเราทำอะไรก็ตามอย่าไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อย่าไปเบียดเบียนกันทำอะไรอย่าไปทาให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเรียกว่าไม่เบียดเบียนกันข้อที่สามก็คืออนีคาโหนตุ อย่าไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นบางทีเราโกรธเขาเขาพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็คิดอยากจะแก้แค้นล้างแค้นก็จะไปทำร้ายร่างกายและจิตใจเขาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างถ้าทำร้ายร่างกายเขาไม่ได้ก็ทำร้ายจิตใจเขาเช่นตีเขาไม่ได้เพราะเขาตัวใหญ่กว่าก็ด่าเขาด่าพ่อเขา เอาชื่อพ่อเขามาดาเพื่อให้เขาโกรธให้เขาเจ็บแค้นน้ำใจอย่างี้อันนี้ก็อย่าทำเพราะมันเป็นการไม่มีเป็นการจองเวรจองกรรมกันนั่นเองไม่มีการาโหสิกรรมฉะนั้นทำอะไรก็อย่าให้มันเราจะทำอะไรถึงแม้ว่าจะไม่โกรธเขาก็ตามบางทีเราทํมาหากินแข่งขันกันก็อย่าไปทำให้เขาเดือดร้อนทางร่างกายและจิตใจอย่าไม่ทำร้ายเขา ทางด้านด้านร่างกายและจิตใจและวิธีข้อที่4ของการมีความเมตตาเพื่อให้เราดับความรู้สึกไม่สบายใจก็คือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นบางทีเราอยู่เฉยๆก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้ส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีดับความไม่สบายใจด้วยการไปเที่ยวกันพออยู่บ้านเฉยๆกดเหงื่อรู้สึกเหงารู้สึกว่าเหว่ โทรรศัพท์เรียกเพื่อนให้ไปเที่ยวกันไห ม, มไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มอะไรกันไห ม, มอันนี้เป็นการดับความไม่สบายใจในทางที่ไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับการเสพยาเสพติด<ม>ดับอย่างนี้แล้วมันจะติดเวลาไม่มีเวลาทาไม่ได้ก็จะทุกข์<ม>เพราะวันเราบางทีอาจจะไม่มีเงินไปเที่ยว<ม>บางทีร่างกายไม่สบาย แต่อยู่บ้านเฉยๆก็หมุดหงิดลำคาญใจจะไปเที่ยวก็ไม่ได้ไม่มีเงินเที่ยวก็ไปไม่ได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปไม่ได้อันนี้จะทําให้เราทุกข์ใจได้แทนที่จะไม่มีความทุกข์ใจแล้วกลับจะทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะเราติดวิธีการเที่ยวในการดับความไม่สบายใจของเรานั่นเอง mm hmm. วิธีที่จะดับความไม่สบายใจของเรา วิธีที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าบอกก็คือให้ความสุขแก่ผู้อื่นทาอะไรให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วเราจะไปก่อความสุขขึ้นมาไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองอย่างเดียวเพื่อให้ความสุขการใช้เงินก็สามารถทําให้คนอื่นมีความสุขได้เช่นเห็นเขาเดือดร้อนเราก็ให้เงินเขาใช้ช่วยเหลือเขาเช่น ย, ยุคนี้คนตกงานกันรายได้ขาดแคลนกัน ไม่ทีก็ไม่มีข้าวจะกินอย่างนี้เราก็ให้เงินเขาไปซื้อข้าวหรือซื้อข้าวมาให้เขากินนี่ท่านเรียกว่าคือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี้ก็จะทาให้เรามีความสุขใจขึ้นมาและเป็นความสุขใจแบบที่ไม่มีพิษมีภัยเหมือนกับการเอาเงินไปเที่ยวกันเพราะถ้าต่อไปเกิดเราไม่มีเงินที่จะทำบุญทำทานเราจะไม่รู้สึก เดือดร้อนเหมือนกับเวลาที่เราไม่มีเงินไปเที่ยวเพราะเวลาไปเที่ยวมันเหมือนกับติดยาเสพติดพออยากพอติดแล้วก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆพอไม่มีเงินซื้อยาเสพติดมาเสพก็จะทุกข์แต่ถ้าแต่ถ้าเราเอาเงินที่เรามีอยู่นี้ไปช่วยเหลือคนอื่นทำให้คนอื่นก็มีความสุขหรือถ้าไม่มีเงินเราก็เอาเวลาของเรานี้ไปทาประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ เช่นไปช่วยเขาทำงานบางอย่างอย่างญาติโยมบางท่านก็มาช่วยทำงานที่นี่ที่นี่ไม่ใช่เราทำคนเดียวนะถ้าเราทำคนเดียวคงจะทำไม่ได้เรามีหน้าที่เพียงแต่มานั่งพูดเท่านั้นเองแต่เรื่องการจัดสถานที่ต่างๆนี้ก็อาศัยการความเมตตาของลูกศิษย์ลูกหาทีมงานถ่ายทอดสด น, นี้ที่มาช่วยจัดสถานที่ทาทุกอย่างเตรียมของทุกอย่างให้ ท่านเหล่านี้ก็กาลังแสดงความเมตตากำลังเจริญเมตตาให้ความสุข<ม>แก่ผู้<ม>ช่วยทำให้ผู้ได้มานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมกันอย่างสะดวกสบายทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ที่บ้านที่ห่างไกลตอนนี้ไปทั่วโลกแล้ว<ม><ม>ขณะที่ท่าเราฟังอยู่ตรงนี้ก็มีผู้ที่ฟังอยู่ต่างประเทศ มีทุกประเทศเกับทุกประเทศกบว่าได้เพราะเดี๋ยวนี้เราชาวไทยเรานี้ไปอยู่ต่างประเทศกันหลายประเทศด้วยกันเคยได้ให้ลูกศิษย์จดดูว่าอยู่กันกี่ประเทศก็สามสี่สิบประเทศทนึงที่เข้ามารับฟังก็การแสดงธรรมหรือการถ่ายสนทนาธรรมอันนี้ก็เป็นการให้ความสุขแก่ผู้นดยการเสียสละเวลาของเรา ดังนั้นไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมีเงินเท่านั้นถึงจะให้ความเมตตากับผู้อื่นได้เราไม่มีเงินแต่เรามีเวลาเราก็เอาเวลานี้มาทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ผู้อื่นก็จะได้รับความสุขจากการทําประโยชน์ของเราอันนี้ก็เป็นการสร้างความเมตตาขึ้นมาแล้วจะทําให้เรามีความสุขแทนที่จะอยู่บ้านเฉยๆหงุดเหยียดจะไปเที่ยวก็ไม่มีเงินเที่ยว จะไปไหนก็ไม่รู้จะไปไหนอยู่บ้านก็แทนที่จะมีความสุขกับหงุดหงิด ร, รู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเหวแต่พอได้มาทํางานจิตอาสาได้มาเสียสละเวลามาทําประโยชน์ให้แก่ผู้อยนเราก็เกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาความรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจความเศร้าซ้อยงอยเหงาว้าเหวก็จะหายไปอันนี้ก็เป็นวิธีการดับความทุกข์ใน ระดับพื้นฐานศาสนาพุทธของเราจึงสอนอยู่ให้เรามีความเมตตากันชาวพุทธของเรานี้ทุกคนจะรู้จักคำว่าเมตตากันเพียงแต่ไม่รู้จักวิธีแผ่เมตตาเท่านั้นเข้าใจผิดกันเข้าใจไปว่าเวลาสวดมวนต์บทแผ่เมตตานี้ตนเองกลังแผ่เมตตาตามจริงตอนนั้นไม่ได้แผ่เลยเพราะนั่งสวดอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่รับรู้เรื่องของเราเลย เราเพียงแต่สวดสัเพสัตตาเวลาโหณตุสัเพสัตตาปยาปัชาโหณตุแต่ไม่มีใครได้รับประโยชน์จากการสวดของเราเลยการสวดของเรานี้มีประโยชน์อยู่สองอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือสอนใจให้เรารู้จักวิธีแผ่เมตต า, าการที่จะทําให้เราแผ่เมตตานี้เราจะต้องทําอย่างไร เราจะต้องไม่โกรธแค้นโกรธเคืองผู้อื่นเราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเลลวลาเราทําอะไรอย่าไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเราจะไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นเราจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นอันนี้เป็นเพียงการเรียนรู้ด้วยเป็นการเดือนใจให้รู้วิธีแผ่เมตตาว่าแผ่อย่างไรการสวดของเรานี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาขอให้เข้าใจเอาไว้ การแผ่เมตตาเจ้าต้องรอให้มีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเช่นไปพบปะกันแล้วก็มีเรื่องมีราวกัน<ม>ขับรถไปอาจจะชนกันก็ได้โดยที่ไม่มีความตั้งใจ<ม>ถ้าเรามีประกันเขามีประกันก็บอกอ้าไม่เป็นไรต่างคนต่างไปอย่ามานั่งทะเลาะกันผิดถูกเลยเสียเวลาทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน<ม>รถลาติดยาวเหยียดเป็นกิโลเพราะเราสองคนมายอมาถกเถียงกันไม่ยอมกัน เมื่อต่างฝ่ายต่างมีประการก็แยกกันไปก็แล้วกันให้อภัยกันไปเหมือนลิ้นกับฟันเนี่ยขับรถนี่เหมือนลิ้นกับฟันเรามีลิ้นกับฟันบางทีเราก็เผลอไปเอาฟันไปขบลิ้นกันแล้วเราจะไปเถียงว่าใครผิดใครถูกหรือเปล่าจะไปลงโทษใครดีก็ลงโทษไม่ได้ตัดลิ้นไปก็แย่ถอนฟันไปก็ไม่ได้ก็เราต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างใดเราเมื่อเราเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันเราก็ต้องรู้จักให้อภัยกัน เราถึงจะอยู่กันอย่างมีความสุขนั้นนี่คือการแผ่เมตตาที่แท้จริงต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันถ้าเราพบปะกันสิ่งแรกที่เราจะแผ่เมตตาให้ได้ก็คือให้ความสุขแก่ผู้อื่นให้อย่างไรก็รอยยิ้มของเราเนี่ยเพียงแต่ยิ้มให้เขาเนั้นเองทักทายเขาสวัสดีหรือถ้าเป็นไปได้ยกมือไหว้เขาได้ยิ่งดีให ชาวต่างชาติเขาไม่ประเทศเขาไม่มีพระพุทธศาสนาเขาไม่มีการสอนความเมตตากันเขาถึงประทับใจเวลาที่เข้ามาเมืองไทยที่เขาเห็นคนไทยนี้แผ่เมตตากันประเทศไทยนี้มีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองยิ้มยิ้มสยามเพราะว่านี่แหละคือความเมตตาของของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในใจของชาวไทยเราทุกคนนี่คือพื้นฐานของการ ดับความทุกข์ใจเพราะาถ้าคนต่างคนต่างบึ่งตึงนี่จะดีไหมเวลาพบหน้ากันต่างคนก็ต่างหน้าบึ่งตึงจะรู้สึกไม่ดีภายในใจทั้งของทั้งสองคนเลยทั้งๆที่อาจจะไม่มีอะไรกันก็ตามแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะเขาโกรธเราหรือเปล่าเราไปทําอะไรให้เขาเสียหายหรือเปล่าทําไมเขาไม่ทักทายเราเขาไม่ยิ้มให้กับเราเลยอันนี้มันแต่พอเราได้ทักทายกันแน่ยิ้มยิ้มให้กันสักหน่อยหรือยกมือไหว้สักหน่อย หรื อ, อยิ่งดีถ้ามีของมาฝากได้ยิ่งดีไปไปเที่ยวมาจากที่ไหนมีขนมจากที่เราไปเที่ยวมาซื้อมาฝากกันเนี่ยจะเห็นเขามีความสุขใจขึ้นมาทันทีพระพุทธศาสนาจึงสอนให้เรามีเมตตาต่อกันเมตตาธรรมคำจุนโลกโลกเราจะอยู่กันได้อย่างมีความนุ่มเย็นเป็นสุขเพราะความเมตตาความเมตตานี้ดับความทุกข์ภายในใจได้อันนี้คือ ทำมแลกในที่พระพุทธศาสนาสอนคือให้มีความเมตตาต่อกันเรียกว่าเรียกว่าเป็นเมตตาบา ร, รมีและเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราสามารถสร้างบา ร, รมีอย่างอื่นขึ้นได้เพราะเมื่อเรามีเมตตาบา ร, รมีแล้วเราจะสร้างทานบา ร, รมีนี้ได้ง่ายมาก ในเมื่อเรามีความเมตตาต่อผู้อื่นแล้วถ้าวันใดเราเกิดมีเงินเหลือใช้เช่นเมื่อวานนี้หวยออกถูกรอตรี่รางวัลที่หนึ่งก็คิดถึงเพื่อนฝูงนะให้อามาแจากคนละคนละหมื่นสองหมื่นดีไหมอันนี้ก็เรียกว่าทานบาราีนะถ้าเรามีความเมตตาถ้าเราไม่มีเมตตาเราโกรธทุกคนเกลียดทุกคนนี่เราถูกลหวยขึ้นมา น, นี่เราก็ไม่อยากจะให้ใครเราก็อยากจะเก็บไว้หมดคนเดียวเท่า เพราะถ้าไม่มีความเมตตาแล้วจะทำทานไม่ได้เวลาจะทำทานได้ทำบุญใส่บาตรได้บริจาคเงินให้กับสถานที่ต่างๆได้นี่เราต้องมีความเมตตาอยู่ในใจของเราแล้วพอเรามีฐานะดีขึ้นมามีเงินเหลือกินเหลือใช้ขึ้นมาเราก็อยากจะทำทานกันเพราะเวลาเราทำทานมันก็ทำให้เรามีความสุขดับความดับความทุกที่เกิดจากการไม่มีความสุข บางทีเราอยู่เฉยๆถึงแม้จะไม่ทุกข์ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนมีข้าวกินมีอะไรก็ตามแต่ใจมันก็ยังไม่มีความสุขใจมันรู้สึกขาดขาดอะไรไปเนี่ยพอเราได้ทําบุญทําทานขึ้นมาปั๊บเนี่ยความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาความรู้สึกขาดขาดอะไรไปก็จะหายไปการทําทานก็จะเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อผู้ที่อ มีเหลือกินเหลือใช้ <Yeah. S 2> แล้วก็ไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทาไม <Yeah. S 2> ตายไปก็เอาไปไม่ได้ <Yeah. S 2> แต่ทานที่เราทํานี้ <Yeah. S 2> เราจะได้บุญจากการทำทาน <Yeah. S 2> บุญก็คือทรัพย์ภายใน <Yeah. S 2> ทรัพย์ของตายทิพย์เนี่ยต่อไปกายทิพย์ของเราจะไปอยู่ในโลกทิพย์ <Yeah. S 2> หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วและเงินที่เขาจะใช้ในโลกทิพย์นี้ก็คือบุญนี่ <Yeah. S 2> ถ้ามีบุญเราก็จะสามารถไปซื้ออาหารทริพย์ ซื้อที่อยู่ทิพ์ซื้อเสื้อผ้าทิพ์ซื้ อ, อยาทิพ์มารักษากายทิพ์ของเราได้ก็จะเป็นพวกที่เหมือนกับคนที่มีเงินทองนี่ก็จะเป็นพวกเศรษฐี <uba. S 1> คนที่ทำทานเยอะๆทำบุญเยอะๆนี่<อ>ก็จะมีบุญติดตัวไปก็จะเป็นเศรษฐีบุญพวกเศรษฐีบุญนี้เขาจะไม่มีความทุกข์เขาจะมีแต่ความสุข เหมือนกับพวกเศรษฐีทางร่างกายเศรษฐีทางร่างกายนี้ร่างกายเขาไม่มีความทุกข์เลยเพราะเขามีเงินที่จะสามารถดูแลเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างสุขสบายได้ตลอดเวลานั้นใดใจก็เหมือนกับร่างกายใจก็ต้องมีเงินของใจไว้มาเลี้ยงดูเงินที่จะมาเลี้ยงดูใจก็คือบุญ น, นี่เองที่เรียกว่าเป็นเงินทิปอาหารทิปเนี่ยฉนั้นขอให้เราคิดไว้เสมอว่า เงินในทองที่เรามีอยู่ในโลกนี้มันไม่ใช่เป็นของเราเพราะอะไรเพราะเวลาเราตายไปเราเอาไปไม่ได้เป็นของคนอื่นไปหมดเลยจะเขียนพินัยกรรมหรือไม่เขียนพินัยกรรมมันไม่สำคัญเขาจะจัดการกับเงินของของเรานี้เขาไม่ส่งตามเราไปหรอกถึงแม้เราจะบอกที่อยู่ของเราว่าเราอยู่โลกโลกทิพย์อยู่ที่เมืองนั้นเมืองนี้เขาก็ไม่สามารถส่งเงินทองที่เรามีอยู่นี้ไปได้เลยแม้แต่บาทเดียว แต่ถ้าเราเอามาเปลี่ยนเป็นบุญแล้วนี่เราเอาไปได้หมดเลยงั้นอย่าไปเสียดายเงินทองในการทำบุญเพราะมันไม่เป็นการเสียมันเป็นการได้เป็นการเปลี่ยนสกุลเงินที่เราจะใช้เหมือนเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศนี้เรามีเงินบาทนี้เราต้องไปแลกเงินสกุลอื่นเช่จนจะไปญี่ปุ่นนี่เราก็ไปแลกเงินเยนเงินไปเมืองจีนก็ไปแลกเงินหยวนกัน พอเรามีเงินหยวนเงินเย็นไปปั๊บไปถึงที่ประเทศเขาเราก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไปหาที่แรกดีไม่ดีหาไม่เจอก็ได้บางทีเขาไม่รับแลกก็มีเราก็จะเดือดร้อนได้ฉนันใดเวลาเราตายไปนี่เราเอาเงินไปไม่ได้แต่เราเอาบุญไปได้<ม>เพราะแล้วก็บุญนี่แหละเป็นเงินที่เราจะใช้ต่อไปในโลกทิศถ้าเราทำทานมากๆจิตใจของเราก็จะมีบุญเยอะ เวลาเราตายไปเราก็จะได้ไปเป็นกายทิพย์ที่ร่ำรวยเป็นกายทิพย์ที่เรียกว่าเป็นเศรษฐีเศรษฐีบุญนี้ก็คือ พ, พวกเทวดาทั้งหลายที่มีแบ่งไว้หระดับด้วยกันเหมือนกับเศรษฐีเงินทองเศรษฐีเงินในโลกนี้เขาก็แบ่งเศรษฐีเงินแสนเศรษฐีเงินล้านเศรษฐีสิบล้านเศรษฐีร้อยล้านเขาแบ่งไปตามจํานวนของเงินที่เขามีกัน จันใดสวรรค์ชั้นต่างๆก็แบ่งไว้ตามบุญที่แต่ละคนได้สร้างกันเอาไว้สร้างน้อยก็เป็นเศรษฐีน้อยสร้างมากก็เป็นเศรษฐีใหญ่มีมีบุญมากก็มีความสุขมากท่านถึงแบ่งไว้หกระดับด้วยกันมีชั้นดุสิตมีชั้นดาวดึงชั้นอะไรต่างๆนี้แบ่งเป็นหกชั้นเพราะว่าการทําบุญของเราแต่ละคนนี้ทํามากทําน้อยไม่เท่ากัน และคำว่ามากน้อยนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขของเงินไม่ใช่หมายความว่าคนทำสิบล้านกับคนทํหนึ่งร้านนี้จะได้บุญไม่เท่ากันดีไม่ดีคนทํหนึ่งร้านนี้อาจจะได้มากกว่าคนทาสิบล้านก็ได้เพราะถ้าเขามีเพียงหนึ่งร้านแล้วเ็ททาทั้งหนึ่ง้านเลยนี่เท่ากับเท่าเขาทำได้เต็มร้อยเลยส่วนคนที่ทำสิบล้านนี่เขาอาจจะมีอยู่ร้อยร้าน เพราทำแค่10ล้านก็เหมือนแค่ทำหนในสิบเท่านั้ทำแค่ร้อยละสิบเพราะฉะนั้นอย่าไปวัดที่ตัวเลขของเงินวัดตัวที่จำนวนเปอร์เซ็นต์ของเงินของเราที่เรามีอยู่ว่าเราทำมากกี่เปอร์เซ็นต์เรามี10เรามี10บาทเราทำบาทเดียวเราก็ทำหนใน10บแต่เราทำห้บาทเราก็ทำห5หใน10คนมีร้อยถ้าเขาทำบาทเดียวก็ทำหนในร้อยเท่า ทำห้าบาทก็ทำห้าในร้อยน้อยกว่าคนที่มีสิบบาทที่ทำหนึ่งบาทหรือห้าบาทเ <Yeah. S 1> น, นี่ยนะฮะนี่ <Yeah. S 1> ฉะนั้นเราคนที่มีเงินน้อยไม่ต้องตกใจควรจะดีใจว่าเราสามารถทำเงินได้ทำบุญได้มากกว่าคนที่มีเงินมากเสียได้ซ้าไปเพราะว่าวเราไม่ต้องทำมากเราก็จะได้บุญมากกว่าคนที่ทำมากคนที่มีเงินมากกว่าเรา yeah. ย่งนัอย่าไปเวลาเห็นคนอื่นเขาทำบุญโอ้ยบอร์จากเป็นล้านเป็นแสนเราทําได้แค่หมื่นแค่พันนี้เราไม่ต้องไปเสียใจเรามาดูจํานวนเงินที่เราเสียไปว่าเราเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของเราอันนั้นแหละเป็นตัวที่จะวัดความสุขใจของเราเราสังเกตดูถ้าเราทำร้อยบาทนี้เราจะมีความรู้สึกสุขใจในระดับหนึ่งถ้าเราเพิ่มเป็นพันบาทนี้มันจะมีความสุขใจเพิ่มขึ้นอีก หรือถ้าเราลดทาเหลือแค่สิบบาทเราจะรู้สึกมันน้อยลงไปอันนี้ถ้าเราจะวัดดูแต่ของเราเองได้อย่าไปวัดกับของคนอื่นเพราะเราไม่รู้สัด ส, ส่วนของเงินของเขาที่เขาทำไปว่าเขาทำมากน้อยเพียงไรอันนี้แหละจึงทำให้เรามีสวรรค์ชั้นต่างๆกันเพราะบุญที่เราทำนี้ไม่เท่ากันทำให้เรามีความสุขไม่เท่ากัน น, นี่คือการกาจัดความทุกข์ในระดับ ที่สองพอเรามีเมตตาแล้วเราก็สามารถขึ้นสู่การทำทานได้แล้วเราก็จะมีความสุขเวลาที่เรารู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจรู้สึกเหงาว้าเวแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันดีใจเดียวเดียวกลับมาบ้านแล้วความดีใจนั้นก็หายไปหมดไปลองเอาเงินไปทำบุญดูสิกลับมาบ้านแล้วยังรู้สึกอิ่มใจเอบใจ อาทิตย์เดือนหนึ่งผ่านไปคิดถึงมันมันก็ยังทําให้เรามีความสุขอยู่แต่ถ้าคิดถึงที่เราเคยไปเที่ยวคิดถึงสิ่งของที่เราซื้อพอเห็นมันแล้วรู้สึกเฉยเฉยดีไม่รู้ดีไม่ดีอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายจะได้ซ้ําไปหรือถ้าเป็นสถานที่เที่ยวเราอยากจะก็จะทําให้เราเกิดอยากจะไปเที่ยวขึ้นมาอี ก, กได้พอเกิดความอยากไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวก็จะรู้สึกหมุนเหยียดลาคาญใจขึ้นมาอีกแต่ถ้าทําบุญแล้วคิดถึงบุญที่เราทําทีไร จะมีความสุขใจทุกครั้งไปความทุกข์ความเหงาความเศร้าก็จะหายไปนี่คือวิธีกำจัดความทุกข์ขั้นที่สองกำจัดด้วยการทาทานขั้นแรกก็กำจัดด้วยการาด้วยการแผ่เมตตาให้มีความเมตตาพอมีเมตตาแล้วก็จะทำทานได้แล้วพอทำทานได้แล้วก็จะขึ้นไปสู่ระดับที่สมได้คือการระดับความทุกข์ที่เกิดจาก การทำบาปกันบางทีเรายังมีความอยากต่างๆอยู่อยากได้นู่นอยากได้นี่บางทีหามาโดยที่ไม่ทําบาปไม่ได้พอไม่ได้มันก็จะทําให้เราไม่สบายใจไม่มีความสุขใจบางทีมันก็กดดันให้เราต้องไปหาโดยยุธีทําบาปกันหลาเวลาที่เราไปทําบาปเราได้สิ่งที่เราอยากทํานะเราได้ความสุขเดียวๆเวท่านั้นเอได้ขโมยเงินมาก็ดีใจปั๊บหนึ่ ง, ทงเท่นั้นเอง อ่ะเดี๋ยวมันก็ต่อมามันจะตามมาด้วยความหวาดกลัวแล้วสิหวาดกลัวว่าจะถูกจับหรือเปล่ามีคนรู้หรือเปล่าว่าเราไปขโมยเงินของคนอื่นตํำรวจจะตามจับเราแล้วพราะอ่านข่าวว่ามีประกาศว่าจะจับขโมยที่ไปขโมยของแล้วรู้ว่าเป็นเรานี่ยเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาแทนที่จะไปดับความทุกข์ใจกลับไปสร้างความทุกข์ใจให้กับเรางั้นเวลาจะทํำบาป อย่าไปทําถึงแม้เราจะมีความทุกข์ใจเพราะเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราไม่มีเงินที่จะไปซื้ออย่าไปขโมยเงินหรืออย่าไปขโมยของเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้ให้ถือศีล ร, รักษาศีลไว้ดีกว่ารักษาศีลได้ห้ามใจว่าอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่ไม่ขโมยโดยเด็ดขาดเมื่อเราไม่ขโมยการกระทาที่จะทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะไม่เกิดอันนี้ก็เป็นวิธีห้ามความทุกข์ ป้องกันความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปไม่ให้เกิดขึ้นมานั่นเองอันนี้ก็เป็นการดับความทุกข์อีกวิธีหนึ่งเพราะการการะทาของเรานี้มันมีโทษตามมามีผลตามมามีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าเราทําทานนี้มีแต่คุณทําบุญทําทานนี้จะทําให้ใจเรามีความสุขแต่พอเราไปทําบาปเนี่ยไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวง เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการนี้มันจะทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมามแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะป้องกันความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปได้<ม>อันนี้ก็เป็นขั้นของการดับความทุกข์ขั้นที่สามคือด้วยดับทุกข์ด้วยการรักษาศีล<ม>แล้วขั้นต่อไปก็คือการการดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเรา<ม>ถึงแม้เราจะไม่ได้ท ถึงแม้เราจะได้ทำทานแล้วรักษาศีลแล้วใจของเราก็ยังรู้สึกขาดอะไรอยู่ยังรู้สึกหิวโหยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เพราะใจของเราไม่สงบถ้าเราอยากจะให้ใจเราหยุดความหิวโหยหยุดความอยากต่างๆเราต้องไปสร้างบา ร, รมีคือขั้นที่สี่ห้าหกพร้อมๆกันคือเนธธรรมะบา ร, รมีโุเบคาบารมีและปัญญาบา ร, รมี อันนี้จะทำให้เราสามารถทำให้ใจเราสงบเมื่อใจสงบแล้วเราจะความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหยความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะหายไปแล้วจะทำให้ใจของเรานี้มีความสุขขึ้นมาที่เราเรียกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้แหละที่เราเรียกว่าลถแห่งธรรมที่จะทำให้จิตของเรานี้ ได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรเราต้องสร้างในคัมะบร์บามีคือต้องยุติการหาความสุขจากรูปเสียงกินลดต่างๆคือแปลว่าการระงับการเสพกามกามก็คือรูปเสียงขินลดโผฏฐัพพะที่เราเสพกันเพื่อให้เกิดความสุขแต่มันเป็นเหมือนยาเสพติดการมกุลห้านี้เป็นเหมือนยาเสพติดเสพแล้วจะติดเวลาไม่ได้เสพแล้วจะทุกข์ และตอนนี้เรามาเลือกเสพยาเสพติดกันแล้มาเสพความสงบกันที่เป็นความสุขที่แท้จริงด้วยการถือศีลแปดในขมมะบารมีคือการถือศีลแปดเพิ่มจากศีลห้ามาอีกสาข้อ<ม>เปลี่ยนศีลข้อที่สามในศีลห้าจากกาเมมาเป็นอ บ, บ ร, รมจริยาคือไม่ร่วมหลับนอนกับใคร<ม>แล้วก็งดการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็งดการเที่ยวดูมหรสพบันเทิงต่างๆ เลยไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เราจะได้มีเวลามาสร้างอุเบกขาบารมีคือทําใจให้สงบเพราะเวลาเราทําใจให้สงบด้วยการจเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิใจเราจะสงบนิ่งแล้วจะมีอุเบกขาปรากฏขึ้นมาอุเบกขาคือใจที่ปราศจากอารมณ์รักชังกลัวหลงจะไม่มีความรู้สึกรักชังกลัวหลงกับอะไร ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนไม่โกรธเวลาใครด่าก็ไม่รู้สึกไม่โกรธเวลาใครชมก็ไม่ได้ไม่ได้ดีออกดีใจแจะรู้สึกเฉยๆ<ม>อันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการเพราะอันนี้แหละที่จะทําให้ใจของเรามีความสุขอย่างแท้จริงแต่การที่เรามีอุเบกขานี้จะทําให้อุเบกขาเราถาวรได้เราต้องมีปัญญาเราต้อง เห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์เพื่อจะทําให้เราหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันคือโลกกระทำได้แก่ลาบยศสรละเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เองเราต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวทุกเพราะว่ามันไม่สามารถอยู่กับเราเป็นเป็นของเราไปได้ตลอดวันดีวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องจากเราไป เวลาที่จากกันเวลานั้นก็ต้องมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจให้สอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกโลกธรรมสิ่งต่างๆที่จะให้ความสุขกับเราในโลกนี้เป็นทุกข์เราจะได้ตัดความอยากพอตัดความอยากได้จิตของเราก็จะสงบเป็นอุเบกขาจะมีความนิ่งความสบายไม่ต้องการอะไรต่อไปอยู่เฉยๆได้อยู่อย่างเป็นสุขเพราะไม่มีอะไรมาคอยกระตุ้นให้ใจหิวให้ใจอยาก คือความอยากต่างๆที่เกิดจากอวิชชาความไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจทุกข์และสิ่งที่อยากก็ทำให้ใจทุกข์เวลาได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปแต่พอไม่มีความอยากตัดความอยากได้ความสุขคือความสงบของใจก็จะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปหามันมันรอให้ตัดความอยากหายไปเท่านั้นเอง พอความอยากหายไปเมื่อไหร่ความสุขก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีอันนี้แหละเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรู้ได้ส่งคนพบเล่านำามามาเผยแ ผ, แผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจเบื้องต้นก็สอนผ้าปัญจวัคคีจนได้เป็นผ้าอาารหันทั้งห้ารูปต่อจากนั้นก็ไปสอนบรรดาพวกนักบวชต่างๆตามสำนักต่าง ๆ, าง ๆ, างๆก็ทาให้ปรากฏมีผ้าอรหันปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งพระอานาหารเหล่านี้ท่านก็มารับธรรมหน้าที่ต่อเอาแสงสว่างที่ท่านได้จุดจากพระพุทธเจ้ามาจ่ายให้ผู้อื่นที่ยังไม่มีแสงสว่างผู้อื่นที่มีเทียนพอได้ได้ยินได้ฟังธรรมก็สามารถเกิดแสงสว่างขึ้นมาภายในใจบรรลุเป็นพระอานาหารกันขึ้นมาอันนี้ก็ทํากันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พระพุทธเจ้าส่งประกาศธรรมครั้งแรก หลังจากที่ท่านตายไปแล้วก็มีผู้อื่นทาหน้าที่ต่อไปแล้วผู้ที่ทำหน้าที่ต่อพระทธเจ้าตายไปก็มีผู้ที่มาทำหน้าที่ต่อทำมาจนถึงวันนี้และพวกเรานี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ต่อไปถ้าเราเข้าหาแสงสว่างแห่งธรรมและสามารถจุดแสงสว่างนี้ให้ปรากฏขึ้นมาพานในใจของเราได้เราก็จะเป็นแหล่งของแสงสว่างแห่งธรรมให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุป ก, กัปติอิชิตังปัิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสานิจจังวุฒาปะจายโน จตารุตมวะทันติอายุวันสุขังทารังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เราประชุมเลิกประชุมแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามให้ อยากจะถามต้องถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมนเท่าไหร่คะจาก Facebook 395 YouTube 209วิทยุออนไลน์9 Club House 12ผู้รับฟังหน้ากุฏิ89รวม714ท่านค่ะคถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญถามได้เลย คุณนิชนันถ้าทำบุญและอุทิศบุญให้พ่อจาเป็นต้องเอ่ยชื่อนำส ก, กุลของพ่อไหมคะหรือแค่เราระลึกถึงและเคยเอ่ยคาว่าพ่อพ่อก็จะได้รับบุญแล้วก็รู้ว่าเป็นใครก็ใช้ได้แล้วแหละไ ม, ไม่ไม่เหมือนกับเช็คที่ต้องเขียนชื่อนะเหนได้วเรา เ, เราเถึงคนคนนี้ได้ก็ถือว่าใช้ได้นะบางทีจาชื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคนคนนี้ ที่ให้คำหนิยกันเราเนี่ยหมดแล้วเลย ว, วันนี้ไม่ทราบไปไหนกันหมดสมาชิถามแล้วทำฟังมามากแล้วแต่มันลุยาถามอะไรแนละ้ว ค, <ม>คือต้องปฏิบัติถ้าเรื่องปฏิบัติแล้วก็อาจจะมีมมน่ามีคำถามเพิ่มขึ้นได้ว่าการปฏิบัตินี้ มีขั้นตอนแล้วก็ปฏิบัติไปบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่าถูกหรือไม่ควรจะมีการถามกับผู้รู้ดีืกาบคิดไปเองเพราะการคิดไปเองนี่อาจจะคิดผิดเนสาเหตุที่คนปฏิบัติแล้วเป็นบ้ากันเนี่ยก็เพราะว่าปฏิบัติไปแล้วไม่ปรึกษาไม่ถาม ตอนเองไม่รู้ไม่แน่ใจก็เหมาคิดไปเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเลยกลายเป็นความเหนืหไปได้แต่ถ้าได้ศึกษาธรรมะอย่างละเอียดบางทีก็ไม่ต้องถามก็ได้ถ้าเรารู้ว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรเช่นถ้าเรารู้ว่าเราปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจเพื่อทําใจให้เราสงบมีความสุดแั้นเราก็ดูตรงจุดนี้ไปเลย ถ้าปฏิบัติไปแล้วความทุกข์ยังไม่หายไปก็แสดงว่ายังไม่ใช่ความสุขยังไม่ปรากฏขึ้นมาก็แสดงว่ายังไปไม่ถึงเลยคุณ<ช>ถามครับคือเพื่อนผมเพื่อใกล้ๆนะเอาในคณะอโอเคทผมครับ เพื่อนผมนะครับอยู่ในครอบครัวคนจีนที่นับถือศาสนาพุทธ mm hmm. แต่มีสมาชิกท่านหนึ่งมีความคิดว่ากินสิ่งมีชีวิตเราจะตกนรกข้าอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเออคินไม่ตกนรกอ่ะข่าถึงจะตกนรกอ๋อข้าสิ่งที่มีชีวิตนี้เป็นบาปแต่ถ้าสิ่งที่มันตายแล้วเอามากินนี้ไม่บาปแต่อย่าไปทําให้เขาตายนะด้วยละด้วยการกระทําของเราด้วยคำสั่งของเรา ถึงแม้เราไม่ทําอะไรแต่สั่งที่ร้านว่เาเอาปลาตัวนี้นะตัวที่กําลังว่าอยู่ในถังนี้ถ้าอย่างนี้ก็เป็นบาปเหมือนกันเกินไม่ได้แต่ถ้าปลามันตายแล้วสั่งให้เข้ามาเราทําอาหารให้เรากินไม่บาปแต่อย่าไปสั่งให้เขาทาเช่นถ้าเราเป็นพ่อค้าขายเข้ามันไก่เนี่เราไปสั่งร้านว่าพรุ่งนี้เอาไก่สามตัวนี่ไม่ได้ก็ไปสั่งก็แต่ถ้าไปที่ร้านเราถามว่าวันนี้มีไก่ไหมมีกี่ตัว มีกี่ตัวก็ซื้อตามที่ก็มีอย่างงี้ไม่บาแล้วมันจะมีการแบบกระทบกระทั่งกันบ้างครับคือแบบด้วยคาวามที่เป็นแม่สามีกับลูกสะใภ้ยอย่างเงี้ยคือมีวิธีการยังไงบ้างครับที่จะไม่ให้มันกระทบกระทั่งกันเพราะว่าก็อย่าอยู่ด้วยกันเลย <laughs> <laughs> แ ต, แต่แต่เขาเขาอยู่ต่างต่างประเทศนะครับแล้วไปแต่งเขาบ้านเขาอะครับเขาก็แบบ ก็ยากบ้างยังอยู่ได้มันต้องอยู่บ้านเดียวถ้ายังยุงถ้ายังแยางไม่ได้ก็ใช้ทาใจใช่ไหมฮะอผมก็บอกให้ทำใจไปนะเขาจะกระทบกระทั่งกันก็เรื่องของหมาสองตัวมันชอบกัดกันไม่ห้ามันได้ไงคำถามนะครับก็บอกกันพูดกันดื้อดีๆกันก็ได้ว่ารักกันดีกว่าโกอยกันนะเราก็รักคนคนเดียวกันแม่ก็รักลูกชาย ภรรยาก็รักสามีเป็นลูกชายก็แบ่งกันรักได้เว่าไม่ต้องแย่งกันเพราะรักกันคนละส่วนรักคนละแบบกันคุณพงศธร ผมลำบากใจเรื่องพ่อแม่กระผมนับถือสายธรรมคล้ายลัทธิทางจีนส่วนตัวแล้วไม่ค่อยสบายใจเพราะหลักคําสอนต่างจากที่พระพุทธเจ้าตรัสเช่นสมัยนี้คือยุคบำเพ็ญโพธิสัตว์ไม่ใช่อรหรันหรือว่าการเคารพเทพเจ้าทางจีนหลักคําสอนค่อนข้างที่จะแตกต่างส่วนตัวอึดอัดใจเพราะเป็นพ่อแม่เราครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องทําใจเนะี่ย เพราะว่าคนเราแต่ละคนก็เป็นเหมือนผลไม้เนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นส้มเราจะให้กล้วยเป็นส้มมันก็ไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าเขาจะเป็นส้มก็ให้เขาเป็นส้มไปเราเป็นกล้วยเราก็เป็นกล้วยไปแต่ถ้าวันดีเกินดีถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนจากกล้วยมาเป็นส้มหรือส้มมาเป็นกล้วยถ้าเขาตัวเขาเองอยากเปลี่ยนเขาเปลี่ยนได้แต่เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ มีญาติโยมฝากถามมาครับคือคําถามว่าเวลาที่ท่านเขาจะนั่งสมาธินะครับแต่ละครั้งเขามีความตั้งใจว่าจะสมมติว่าจะนั่งหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วพอนั่งปุ๊บแล้วพอออกจากเวลานั่งนี่คือมันได้เวลาเป๊ะ เ, ะ เ, ะเลยอันนี้มันเกิดจากอะไรครับก็านาฬิกาเราเป็นเหมือนตัวเราเปเหมือนนาฬิกาตุก่ความตั้งใจของเรามันจะเป็นตัวคอยเตือนใจแล้วว่าถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วนะมันเป็นจิตใต้สําำนึก เหมือนก็การปฏิบัติจริงๆเขาไม่ตั้งเวลากันนอกจากมันจำเป็นจริงๆต้องไปทำงานแล้วมีธุระอะไรแต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆตั้งสติดีกว่าถ้าสติดีก็จะนั่งได้นานมีความสุขมากถ้าสติไม่ดีก็นั่งไม่ได้นานดีถึงแม้อยากจะนั่งได้นานก็นั่งไม่ได้ถ้าไม่มีสติงั้นการปฏิบัติเราถึงถึงวการตั้งสติเป็นหลัก เวลาเป็นรองถ้าจาเป็นจะต้องตั้งเวลาก็ต้องตั้งเช่นเป็นพระก็ยังต้องมีเวลาไปปัดกวาดมีเวลาไปบิณฑบาตก็ต้องตั้งเวลาให้มันเหมาะสมแต่ถ้าอยู่ในกรอบอื่นที่ไม่ต้องตั้งเวลาเราก็จะไม่สนใจกับเวลาจะเป็นอาการลิโกจะมีแต่สติพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวเวลาบางทีปฏิบัติเพลินบางทีเวลาสามสี่ชั่วโมงผ่านไปอย่างรวเดเร็วแั้น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 แต่อยู่ๆความทุกข์เรื่องเดิมนี้กลับเข้ามาอีกหนูขอแนวปฏิบัติเพื่อกําจัดความทุกข์ให้หมดค่ะก็ใช้ปัญญาอันเก่านะใช้ตายรักกลับมานะสอนมันลืมไนงะมันจางหายไปเหมือนฤทิ์ของยาที่เรากินครั้งแรกมันหมดเราก็ต้องกินยาใหม่เหมือนวัคซีนเขาจะให้ฉีดสองเข็มเข็มแรกนี้มันก็ใช้ไปได้ครึ่งเดียวได้ประสิทธิภาพครึ่งเดียวอีกสองเทย์ก็ต้องเติมเข้าไปมันจะได้เต็มร้อย ผู้ที่เจริญปัญญาก็ต้องหมั่นเจริญอยู่เรื่อยๆถ้าหมั่นเจริญอยู่เรื่อยๆปัญญาก็จะช่วยคอยสอนใจไม่ให้ประยุทธ์ไปติดให้ปล่อยวางแต่ถ้านานๆคิดทีนี้ช่วงที่ไม่คิดเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็อาจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้คุณซาซ่าเลี้ยงสุนัขแล้วมีเห็บกัดสุนัขสงสารสุนัขแต่ไม่อยากฆ่าเห็บถ้าให้สุนัขกินยารักษาเห็บจะบาปไหมเจ้าคะ ก็ยามันเพียงแต่ไปทําให้เห็บมันไม่มันมันไม่ได้ไปทำร้ายเห็บโดยตรงมันเป็นการห้ามเห็บไม่ให้ไปไปทำร้ายร่างกายของหมาการไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะเป็นการบาปมันเรากินยาฆ่าเชื้อโรคเนีเวลาเรามีเชื้อติดเนี่ยมีไวรัสเนี่ยเราก็ต้องฉีดวัคซีนแล้วกินยาฆ่าเชื้อโรคการฆ่าเชื้อโรคนี่เป็นการรักษาร่างกายไม่ถือว่าบาป คุณพงศักดิ์ตอนนั่งสมาธิจิตรวมแล้วให้ทําอย่างไรต่อครับรา้มันรวมไปนานๆเลยจะไปทําอะไรต่อนั่งมาแทบตายก็เพื่อให้มันรวมเมื่อมันรวมแล้วก็ต้องพยายามให้มันรวมไปนานๆอย่าไปดึงมันออกมาให้มีสติคอยคุมมันไว้ถ้ามันรวมแล้วมันจะอยู่เฉยมันไม่ทําอะไรถ้าเราไม่ไปทําอะไรมันมันจะไม่ทําอะไรมันก็จะรวมจะนิ่งไปเหมือนกับไม่มีเวลาแล้วนั้น บาทีเวลาออกจะมาแล้วโอ้ยเวลาผ่านไปต้องครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเวลาจิตรวมแล้วมันสงบมันไม่มีการรับรู้อะไรทั้งสิ้นมันก็เลยเป็นเหมือนอาการวิโก้ไปเหมือนลอยอยู่ในอวกาศเนี้ยไม่มีเหตุการณ์เคลื่อนไหวอะไรก็เลยไม่รู้ว่ามีเวลาหรือเปล่าช่วงนั้นเวลามันเคลื่อนไหวยังไง ไ, ไม่ไม่ไม่รู้ในการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตได้พักเวลามันรวมก็จะเป็นเวลาที่มันพักมันกําลังเติมอาหาร ดันกำลังให้กับจิตใจฉั้นพยายามให้มันเติมนา น, านๆเติมมากๆเพราะว่ามันจะทำให้ใจมีพลังไวต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจคุณจรัญญาการมีสติตามดูปัจจุบันเรื่อยๆในการกระทำของเราในชีวิตประจำวัน ไม่ไปคิดเรื่องอื่นเหมือนตอนเรานั่งสมาธิปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะก็ดูว่าเวลาเรานั่งสมาธิจิตสงบหรือไม่ถ้าจิตไม่สงบก็ยังไม่ถูกต้องแต่คููตามหลักการก็น่าจะถูกเพราะว่าถ้าเรามีสติคอยดูแล้วก็คอยควบคุมความคิดให้อยู่กับงานที่เราทำไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไรได้มันก็จะทำให้ความคิดน้อยลงไปเวลานั่งสมาธิก็จะหยุดความคิดได้ง่ายได้เร็ว แต่ถ้าเป็นงานที่เราต้องใช้ความคิดก็ถือว่ามันมันก็ทาให้มันไม่มันไม่ช่วยในการนั่งสมาธิถึงแม้จะมีสติในการทำงานเช่นมีสติกับการอ่านเขียนอะไรมันต้องใช้ความคิดอ่านเรื่องนั้นอ่านเรื่องนี้เขียนเรื่องนั้นเขียนเรื่องนี้มันต้องใช้ความคิดถึงแม้จะมีสติอยู่กับงานมันก็ได้ได้แต่งานนั้นคือทำงานไม่ผิดพลาดเขียนอะไรไม่ผิดพลาดแต่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อการนั่งสมาธิเพราะมันไม่ได้หยุดความคิด มันต้องเป็นสติแบบที่หยุดความคิด mm hmm. เพียงแต่รู้เฉยๆเช่นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นเวลาเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน mm hmm. แทบจะไม่ต้องใช้ความคิดเลย mm hmm. เวลานั้นก็ให้รู้เฉยๆอยู่กับงานอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเป็นแบบนี้มีประโยชน์เวลานั mm ่งสมาธิมันก็จะไม่คิดเมื่อไม่คิดมันก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วคุณรงชัยอุเบกขาที่เกิด ขึ้นหลังจากนั่งสมาธิกับอุเบกขาที่เกิดจากการใช้ปัญญาพิจารณาต่างกันหรือไม่อย่างไรครับต่างกันเพราะอุเบกขาไี่เกิดจากสมาธิหรือสตินี้มันจะจางหายไปหลังจากที่ออกมาจากสมาธิต่อไปมันก็จะค่อยๆจางหายไปแต่อุเบกขาที่ได้จากปัญญามันจะถาวร แต่มันจะเป็นอุเบกขาเป็นเรื่องๆไปเพราะปัญญามันมีหลายเรื่องที่จะต้อ ง, ออ ง, ง ต, ต้องสอนเรื่องร่างกายเป็นต้นเนี่ยชั้นต้นก็สอนเรื่องร่างกายว่าแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาพอมีปัญญาแล้วต่อไปจิตก็จะเป็นอุเบกขากับร่างกายร่างกายแก่ก็อุเบกขาร่างกายเจ็บก็อุเบกขาร่างกายตายก็อุเบกขาแต่มันยังไม่ได้ไปทำอุเบกขาเกี่ยวกับเรื่องการมราคะเนี่ย ยังเห็นคนสวยๆหล่อๆอยู่ก็ยังเกิดอารมณ์ขึ้นมาอยู่ไม่เป็นอุเบกขาแต่พอพิจารณาความไม่สวยงามในร่างกายของทุกคนมันก็จะทำให้เป็นอุเบกขากลับมาได้แล้วพอทุกครั้งที่เห็นร่างกายของใครก็ตามจะสวยจะหล่อหรือไม่สวยไม่หล่อก็เห็นเป็นอสุภะเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามมันก็ใจก็จะไม่เกิดการอารมณ์ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นถาวา คุณเชลินอยากทราบว่าอาชีพปล่อยเงินกู้บาบไหมคะไม่บาบหรอกเป็นการขายเงินไงขายเงินหรือเช่าเงินเราไปเช่ารถนี้บาบไหมเช่ารถเนอะเดี๋ยวใช้รถเสร็จแล้วก็รถไปคืนครับแล้วก็เสียค่าค่าเช่าไปคนก็มากู้เงินเราแล้วก็เหมือนเช่าเงินเราพอเช่าเงินนี้ไปแล้วพอ ถ, ถึงเวล า, ขาเขาก็เงินมาคืนแล้วแล้วก็จ่ายค่าค่าเช่าไปก็คือดอกเบี้ยมันจะมัน แต่มันจะมีว่ามันจะโหดร้ายหรือไม่โหดร้ายเท่านั้นเองบางพวกก็คิดดอกเบี้ยแพงเนี่ยอันนี้ก็โหดร้ายเช่นธนาคารก็คิดร้อยละหนึ่งต่อปีนี่ที่คิดร้อยละสิบต่อต่อเดือนนี้มันก็โหดมากนีอันนี้คือหมายความว่ามันเอากำไรเกินควรพูดง่ายๆก็แล้วกันแต่ก็ไม่เป็นไม่เป็นบาปเพราะมันเป็นการยินยอมของทั้งสองฝ่าย คนกู้เ้าก็ยินดีที่จะกู้คนให้กู้ก็ยินดีที่ให้กู้ก็ไม่ถือว่าบาปไปอย่างใดเราก็ไม่ได้ไปทำให้คนกู้เขาเดือดร้อนเสียหายเขาก็ได้ประโยชน์จากการกู้เงินของเราเอาไปใช้ประโยชน์เขาคิดว่าคุ้มค่าว่าเอาไปกู้แล้วสามารถที่จะทำให้เขาได้เงินมามากกว่าที่เขาลงทุนไปเขาก็ยินดีที่จะกู้ได้บริษัทต่างๆทําหากินก็ต้องกู้กัน่างนั้นใช่ไม่ว่าบริษัทใหญ่บริษัทเล็กนี่ก็ต้องไปกู้กับธนาคาร เพาะเขาจะเขาไม่มีเงินที่จะไปลงทุนเองก็ต้องอาศัยเงินของธนาคารเงินกู้นี้เราก็คิดว่าเมื่อเอาไปทําธุรกิจแล้วได้ผลกําไรเร็วสามารถมาจ่ายเงินกู้ได้เร็วนีก็ได้ผลกําไรกลับคืนมาก็เป็นถือว่าเรื่องเป็นการซื้อขายธรรมดานีเงินก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่ง คุณมีชัยผมนั่งสมาธิแล้วสงบอยู่ครับแต่สงบไม่ถึงอั ป, ปนาสถีเคยถึงคณิกะสมาธิครั้งเดียวนอกนั้นหายครับเป็นเพราะอะไรครับพระอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยครับเพราะสติมีกําลังน้อยต้องมันพยายามเจริญสติเวลาที่ยังไม่ได้นั่งพยายามฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาไหล่ต่งขึ้นมาอย่าปล่อยให้ใจคิดกําลังเตรียมตัวไปทํางานอาบน้ำหับท่า อแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็ให้มันอยู่กับงานที่เราทําเพียงอย่างเดียวอย่าป่อยให้ไปคิดถึงอนาคตอดีตที่ยังไม่เกิดขึ้นนรืที่ผ่านไปแล้วให้อยู่ในปัจจุบันให้รู้เฉยๆอย่างเงี้ยเวลานั่งสมาธิมันจะสงบได้ง่ายได้เร็วแต่จะทําทอย่างนี้ได้มันต้องไม่ไปทํางานทําการไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครเพราะเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับคนก็ต้องคุยกันต้องใช้ความคิด เวลาทางานก็ต้องใช้ความคิดคนก็ถึงนิยมไปปลิกวิเวกกันไปอยู่วาดกันนะฮะไปไปอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมไปเก็บตัวก็ที่จะได้ตัดเรื่องราวต่างๆที่โยนมาปลุกให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พออยู่คนเดียวไม่มีอะไรให้คิดก็สามารถที่จะเจริญสติให้หยุดคิดได้อย่างต่อเ น, นื่องเราก็จะสามารถเข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วได้นานสงบก็ได้นาน ต้องฝึกสติมากสตินี้เป็นตัวสาคัญต่อการนั่งสมาธิถ้าสติน้อยสมาธิก็น้อยสติมากสมาธิก็มากคุณมยุรีอยากสอบถามว่าหนูนั่งสมาธิมาสักพักแล้วไม่ค่อยอยากทำงานประจำไม่ค่อยอยากได้อะไรมากเท่าเหมือนก่อนนั่งภาวนามีความสุขมากถ้าในแต่ละวันคอยคิดว่าพรุ่งนี้จะทาอะไรใส่บาตรดี เป็นความปกติหรือจิตมันเปลี่ยนไปเพราะเรานั่งสมาธิเจ้าคะก็เป็นอิทธิพลของธรรมะนี่อิทธิพลของธรรมะจะทำให้เรากำจัดความอยากลงไปตามลาดับความอยากหาความสุขนอกกายนี้นอกใจนี้จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะได้ความสุขภายในใจเพิ่มมากขึ้นเรากำลังสร้างความสุขทดแทนความสุขเก่าเราได้ความสุขใหม่ เป็นความสุขทางใจที่เกิดจากการทาทานเกิดจากรักษาศีลเกิดเกิดจากการปฏิบัติธรรมเองยิ่งทรมากก็ยิ่งอยากจะยิ่งมีความสุขมากความอยากที่จะหาความสุขภายนอกก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปคนในที่สุดก็ไปบวชกันได้ก็เพราะว่าเขาไม่มีความต้องการความสุขทางทางร่างกายต่อไปเพราะเขาสา ม, มารถหาความสุขทางใจได้เขาก็เลยไปบวชได้ เมื่อก่อนเ้าก็ไม่เคยคิดว่าเกิดมาจะบำบวชเป็นพระไม่ไมเคยมีอยู่ในความคิดเห็นพระก็ไม่รู้เขาบวชกันทำไมตอนที่เป็นเด็กๆ ก, ก็เ็เห็นพระแต่ไม่ได้เป็นคนเข้าวัดอะไรไม่รู้เรื่องมารู้เมื่อตอนที่โตแล้วจบเรียนจบปริญญาแล้วใจก็ยังไม่มีความสุขเนี่ยถึงทาให้ต้องค้นหาวิธีทำไมคิดว่าเรียนจบแล้วจะสบายใจกลับวุ่นวายใจอยู่เหมือนเดิม ก็เลยอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือมาก็ได้หนังสือธรรมะ ม, มาอ่านแล้วก็ได้ลองศึกษาวิธีนั่งสมาธิพอได้ลองนั่งสมาธิก็ได้เห็นความสงบได้เห็นความสุขซึ่งมันเป็นความสุขที่แปลกมาสัจจรนท์กว่าความสุขที่เคยได้รับมาแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู่คนเดียวทำใจให้นิ่งให้สงบเท่านั้นเอง มันก็เลยติดใจมันก็เลยทําให้มากขึ้นมากขึ้นไปตอนในที่สุดมันก็อยากจะบวชขึ้นมาเองเพราะการบวชนี้เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดสําหรับคนที่ต้องการความสงบเพราะไม่ต้องทํางานเลยที่ดูเลยทุกอย่างฟรีหมดบ้านก็ฟรีอาหารก็ฟรีน้ําไฟก็ไม่ต้องจ่ายยาก็ไม่ต้องเสียค่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บฟรีทุกอย่างให้หมีเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติให้จิตสงบอย่างเดียวทําไมไม่ทําเรารีบคว้าโอกาสนี้เลย <laughs> ไม่มีที่ไหนในโลกนี้มีเมืองไทยที่หลมีของวิเศษอย่างนี้อยู่สําหรับคนที่พบความสุขที่แท้จริงคือความสุขภายในใจนี้เขาได้บวชอย่างง่ายดายเลยมีวัดวารามเยอะแยะไปหมดอยากจะไปบวชที่ไหนเมื่อไหร่นี่บวชได้ทันทีฝลั่งยังต้องบินข้ามนา้ำข้ามทะเลเพื่อมาบวชในเมืองไทยเพราะ บ, บ้านเขาวิเศษขนาดไหนก็ไม่มีวัดให้เขาบวชคุณหลินชูจิน ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูมีปัญหาสุขภาพเป็นไทรอยและมีก้อนที่คอแต่ที่บ้านหนูเป็นโรงงานหนูต้องทำงานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มหลังจากเลิกงานบางวันต้องนอนเฝ้าคุณพ่อคุณพ่อมีปัญหาหยุดหายใจตอนนอนแม่หนูเสียไปสักพักพ่อคงเหงาหนูก็เป็นห่วงทั้งพ่อและตัวเองหนูควรจะทำใจอย่างไรเจ้าค่ะก็ทำเท่าที่เราทำได้มีหน้าที่ดูแลร่างกายเราก็ดูแลไป มีเวลาดูแลร่างกายของเขาเนื่อยก็ดูแลไปดูแลเท่าที่เราดูแลดูแลได้วิธีที่จะทําให้เราไม่ทุกข์ใจก็คิดว่าดูแลงไงเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีอย่างนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าถ้าดูแลแล้วมันตายก็ถือว่ามันจบหมดหน้าที่ไปแต่เราก็ทําของเราเต็มที่แล้วก็แล้วกันแต่อย่าไปเครียดกับมันก็แล้วกันอย่าไปเครียดว่าดูแลแล้วมันไม่หายดูแลแล้วมันจะตายก็มันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้น เราก็ทำหน้าที่ไปดูแลไปอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ตายไปก็เท่านั้นเองในที่สุดก็ต้องตายกันหมดไม่ว่าใครก็ตามจะมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวหรือไม่ก็ตามอยู่ดีๆมันก็หยุดหายใจได้คนเราถึงเวลาจะตายเมื่อสองวันก่อนก็ได้ข่าวมามีภรราสามีของญาติโยมที่มาทำบุญที่นี่ก็อยู่ดีๆก็ นอนหลับไปก็ไม่ตื่นอายุก็ยังไม่มากครับประมาณแค่หกสิบได้มั้งหกสิบกว่าแต่ก็ถึงเวลาก็ตายไปอย่างนั้นคนเราถ้าเราหมั่นพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กไปเรื่องความเป็นความตายนี่เป็นเรื่องเล็กเรื่องที่เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องกิเลสเรื่องความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสมากกว่าแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้แต่เรื่องความเป็นความตายนี่เราทําอะไรไม่ได้เลยทําได้เท่าที่เราทําได้กินได้ก็กิกนไป หายใจได้ก็หายใจไปถ้ากินไม่ได้หายใจไม่ได้ก็จบก็เท่านั้นเองคุณเอียสวดมนต์ทุกวันแต่ใจก็ยังไม่ค่อยสงบควรทําอย่างไรเจ้าคะก็สวดแบบใจลอยมันก็ไม่สงบสิสวดไปก็ยังคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่มันก็เรียกว่าสวดแบบอลอยลอยมันต้องสวดแบบไม่ลอยให้มันเกาะติดอยู่กับบทสวดอย่างเดียวอิติปิโสภะคะวะ阿拉หังสัมมาสัมพุโทโธ ถ้ามันสวดเร็วแล้วมันลอยก็สวดช้าๆบังคับให้มันอยู่กับตัวอักษรเลยอย่าตัวอิติปิโสภะกวาอาลหังสัมมาสามพุทโธอันนี้แล้วก็มันจะทำให้ใจเราสวดแบบมีสติไม่ได้สวดแบบใจลอยคุณชนระดาหนูกับลูกถูกพลัดพรากโดยฝั่งย่าไม่ยอมให้ลูกหนู หนูต้องไปขึ้นศาลศาลก็ไม่ช่วยอะไรหนูเป็นแม่ไม่มีสิทธ์อะไรในตัวลูกเลยอยากทราบว่าหนูทำกรรมอะไรมาคะแล้วจะไดู้แล้วจะทำอย่างไรให้ลูกมาอยู่ด้วยศาลยังไม่ตัดสินจะตัดสินปี2565ค่ะก็โลกมันคลอดมาจากท้องเราไม่ใช่เลยเมื่อก่อนอรกมาทำไมเราไม่เลี้ยงมันอ่ะพอเราไม่เลี้ยงมันปล่อยคนอื่นเขาเลี้ยงเขาก็เอาไปเท่นั้นสใช่ไหมถ้าเราเลี้ยงมันใครจะกล้ามาเอาลูกของเราไปนะ่ะ งั้นมันก็เป็นความผิดของเรากรรมของเราก็คือเราปล่อยประละเ ล, ย, ลยหน้าที่ของเรานั่นเองไม่เลี้ยงลูกเราหลังจากที่คอดออกมาหรือถ้าเกิดมันมีเหตุบังคับให้เราเลี้ยงไม่ได้ก็ต้องทําใจมันเป็นเรื่องของกรรมของเรากรยกให้คนอื่นไปก็ดีกามจริงถ้ามองด้วยธรรมะสบายไม่ต้องเงลีเ้ยงลูกกับเลี้ยงลูกกันไหนดีกว่ากันลูกคนอย่างนี้ยเดินใช้ไปกี่ตังค์ปีนึงใช้ไปกี่ตังค์ถ้าไม่มีลูกคนหนึ่งรายจ่ายลดลงไปหรือน้อยลงไปมากเลย ถามพ่อแม่คนไหนดูเลยถึงแม้จะรักลูกยังไงพอมาคิดถึงค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ปวดหัว <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่มีลูกนี้กูจะได้มีเงินเอาไปใช้อย่างอื่นได้อ <c oughs> ย่งนั้น้ามองในนี้มุมกลับก็ดีอย่างมีคนมารับไปเลี้ยงให้เราก็ดี ตราบใดที่ลูกเขาอยู่สุขสบายก็โอเคเลยไปเดือดร้อนทําไมเขาก็ยังเป็นลูกเราอยู่เนี่ยไม่มีใครมาเปลี่ยนความจริงนี้ได้หรอกว่าคนนี้ไม่ใช่เป็นลูกเราใช่หไหมเราให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนอะไรก็ตามเขาก็ยังเป็นลูกเราเพราะเขาออกจากท้องเรานั้นเองก็เท่านั้นเองเราจะไปกลัวอะไรดีซคมีคนมาอาสารับไปเลี้ยงรับใไปไปบประกาศพาระให้กับเราเราควรจะดีใจไป็นทุกข์ใจทำไมเพราะกิเลสความอยากได้ลูกมาคืน น, นเอง มันเป็นกิเลสถ้าคิดทางปัญญาแล้วว่าเป็นบุญของเราเนี่ยเกิดมาไม่ต้องเลี้ยงลูกมีคนรับอาสาเลี้ยงลูกให้กับเราไปก็ดีก็ยกให้เขาไปมันพราะไม่สันดดโดษยกปัญหาชาลีกับชู้ชกไปเอามันอยากจะไปเลี้ยงก็ดีกูจะได้ไปภาวนาได้คุณละละติช่วงหลังมานี้เริ่มปฏิบัติธรรมมากขึ้นปฏิบัติแทบทุกวันพอเริ่มนานขึ้นนานขึ้น เนื่องจากมีความรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าทางวิปัสสนามากขึ้นพยายามปฏิบัติช่วงที่สามีนอนไปแล้วและว่างก็จะ ไปวัดฟังธรรมนั่งวิปัสนาส่วนชีวิตประจําวันอื่นๆทําหน้าที่ดํารงตามปกติอยู่ๆสามีถามขึ้นมาว่าจะเอาอย่างไรกับชีวิตครอบครัวเขาไม่ได้ขวางทางธรรมแต่เห็นเราเริ่มไม่ใช่คนทั่วไปเห็นว่าเราเริ่มเข้าหาสายนี้มากขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. รบกวนปรึกษาพระอาจารย์ค่ะว่าจะทําอย่างไรให้สามีเข้าใจว่าเราสามารถปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับ การดูแลครอบครัวดูแลเขาได้แล้วหวังจะให้เขาเข้ามาสั่งสมบุญทางนี้ด้วยโดยปกติแล้วสามีเป็นคนชอบทําบุญบริจาคทานมากค่ะก็บอกเขา ต, งตรงๆไปเดี๋ยวก็ทําอย่างนี้แหละเดีมีหน้าที่ทางครอบครัวเราก็ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่พอมีเวลาว่างของเราเราก็ขอไปทําปฏิบัติธรรมถ้าก็ไม่พอใจก็ถามว่าเราต้องการให้เราทําอย่างไร เขาก็บอกต้องตัดแยกกันเลยก็แยกกันไปเลยเราจะได้ไปปฏิบัติของเราได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเราไม่พร้อมเราก็ต้องอาจจะต้องทําตามเงื่อนไขของเขาว่าถ้ายังอยากใหญ่ให จ, จะอยู่กับเขาก็ต้องหยุดปฏิบัติธรรมอย่างนี้สมมุตินะถ้าเรายังต้องเลือกเราก็ต้องแล้วแต่เราจะเลือกทางไหนไปแต่ถ้าเราไม่ไม่เลือกสามารถไปได้ทั้งสองทางด้วยการควบคู่กันไ ป, <S <S ไปก็ไป <S <S ด้วยการควบคู่กันไปก่อนแต่ไม่ช้าก็เร็ววันหนึ่งมันก็จะต้องไปทางใดทางหนึ่ง เพราะมันไปด้วยกันไม่ได้ทางนี้มันเริ่มต้นได้ทำบุญทำทานรักษาศีลได้ภาวนาไม่มากนี่ก็สามารถที่จะทำได้ในขณะที่อยู่ร่วมกันแต่พอเราจเจริญทางภาวนามากขึ้นมากขึ้นต้องการความวิเวกมากขึ้นมากขึ้นต้องการเวลาส่วนตัวมากขึ้นตอนนั้นมันก็จะทำให้ต้องแยกกันไปต่อไปแต่ตอนนั้นถ้าเรามีธรรมแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็จะเลือกทางธรรมเสมอ พระพุทธเจ้าะนะท่า น, น, นยนงนังเลือกทางธรรมเลยคุณเอียถ้าป่วยติดเตียงให้หมอฉีดยาให้ตายจะบาปหรือเปล่าคะบาถ้าฉีดให้ตายเป็นการฆ่าอวันเขาตายเองไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกให้อาหารเขาให้น้ําเขาไปเขากินไดกน้กินไม่ได้เดี๋ยวก็ตายแล้วเราจะได้ไม่บาปบาปนี่มั น, ม, น, ม, นมันเหมือนไฟนะ มันต้องไม่ตกนะลงใจมันจะร้อนแทนที่จะมีความสงบใจมันจะร้อนแทนที่จะใจจะเย็นก็จะร้อนขึ้นมาคุณโนรีเพื่อนบ้านกินเหล้าเสียงดังทุกวันเคยคุยกันแล้วไม่ดีขึ้นควรทําอย่างไรดีเจ้าคะก็อย่างที่สอนแผน่เมตตาไงก็ให้อภัยเข้าไปเขา อ, อยากจะส่งเสียงดังก็ปล่อยเขาส่งเสียงดังไปแล้วก็หาไลมอุดหูเราก็จบลนะ พอมีอะไรมาอุดหู mm. เสียงมันก็เข้าไม่ได้เสียงดังก็กลายเป็นเสียงค่อยไปเราก็อยู่ได้เราเปนอยากไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขายากเขาเป็นส้มเราอยากจะให้เขาเป็นกล้วยนลําบากช่วมาเปลี่ยนเราดีกว่าเปลี่ยนใจเราดีกว่าอย่าไปอยากเปลี่ยนจากอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นมาเป็นปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเราม า, มาแก้ปัญหาที่ตัวเราดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องมีราวกับ